أ عوذ بالله من الشيطان الرجيم. م الله مولده. ن وما كان معه من إله. إذا لَذَهَبَ ك ُ ل ّ إ ل َ ه ِ م بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَى على بَعْضٍ م َ ل َ بَعْدٌ سبحان الله عما يصفون سبحان الله عما يصفون ع َ ل ِ م ِ ا ل ل َّ و ب ِ ا ل ْ و َ ا د ِ ف َ ت ع ا ل ى ع م ا ي ش ر ك و ن َ ف ت َ ع َ ا ل َ ى عَمَّا ي ُ ش ر ك ُ و ن ا ل ر َّ ب إ م ا ت ُ ر ي ن ي م ا ي و ع د ُ و ن ر ب ّ ف ل ا ت ج ع َ ل ن ي ف ي ا ل ق و م ا ل ظ ا ل م ي ن ر َ ب ّ ف َ ل ا ت َ ج ع َ ل ن ي ف ي ا ل ق َ و م ا ل ظ َّ ا ل م ِ ي ن إنا على إن على النوريا كمان عدوهم لا ق د ر و ن i d ِ a billatihi a h s a n u s s ِ i y أ َ ح f a b i l l a t i ي i a نحن أعلم بما ي ص ي ف و ن بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يهدي بالله فلا مضلل ه وما يضل فلا هليله. وشد الله ا اله إلا الله وحده لا شريك له.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 วรดาเน ف ้อสีวัจน์อาร์ชีวิมด่าดคำมัน ا ีสัลามุอะลัยกุมะรห์มัตุลลอฮฺบาราคาตุพี่น้องที่ร่วมนมาสบุฮฺที่รักทั้งหลายครับอัลฮัมดุลิลลด a ที่ผมอ่านเมื่อกี้นี่นะครับเป็นด ua ตอนเช้ามีทั้งหมดสิบบทด้วยกัน ดวงอาตอนเย็นกับดวงอาตอนเช้าเนี่ยอ่านเหมือนกันนะครับ <c oughs> นบีอา่านทุกวันนะครับอา่านตันัต้งแต่นามาซสุบะฮีจบแล้วจนกว่าดวงอาทิตย์จะขึ้นนบีอา่านนะครับเสร็จแล้วก็นบีก็อ่านคุรานนะครับแล้วก็นั่งสิเกตถึงอัลลอฮ์นะครับท <c oughs> ีนี้ดวงอาในตอนเช้าดวงอาในตอนเย็นเนี่ยทําไมเราต้องอา่าน เตือนให้เรานึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานาฮูบาราลาแล้วดูความหมายแต่ละบทแต่ละบทที่เราที่ที่นบีอ่านเนี่ยจะขอยกตัวอย่างเนี่ยอัลลอฮุมะอินนีอ้าูซูบิกามินัลกาลีวซูอิลกบารีโออัลลอ์ฉันขอความคุ้มครองต่ออัลลอ์ให้พ้นจากความขี้เกียจวาซูอิลกีบาริและให้ห่างไกลจากความชั่วตอนอายุเราแก่ เพาะไม้รวมหมดเลยครับว่าชั่วเนี่ไม่ใช่หลงหลงลืมลอย่างเดียวนะทุกอย่างนั่แหละแก่แล้วแอบไปทําบาปก็เป็นการคุ้มครองขอความคุ้มครองจอากเลาแก่แล้วทะเลาะ ก, กับคนก็เป็เรื่องชั่วทั้งหมดแก่แล้วทะเลาะ ก, กับภรรยาทะเลาะ ก, กับลูกๆนี่เป็นทุกเป็นการไปการขออุอาติความหมายนี่คุมหมดเลยนะซูอินที่บริชั่วตอนแกแกนะครับ โอ้ดูอาของท่านนาบีเนี่ยถ้าเรามีโ อ, อกาสท่องจำตัวอาเหล่านี้ได้เราหัมดูลิลแล้วจะมีประโยชน์มากนะครับขอบคุณอัลลอสุบฮานหู ว, วะตาลลนะครับที่เราเนี่ยทบทวออัลกุรอานมาวันนี้มาถึงอายนะ ะ, ะที่เท่าไหร่นะสุร่าอัลมุมินูนสุร่าที่ยี่สิบสามปีที่ยี่สบาคงจะตายก่อนนะั <laughs> ่น ไนอครับวันนี้เรามาถึงอายที่91นะครับครับ91ก็ดูนะกบรอ่านอัลลอฮ์สอนว่ายังไงครับมัตตาขัละลอฮุมิววะลดวะมนกานะมะฮูมินอีลาอิละละฮาบะคุลอีลา بما خلق ول على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون ما تخذ الله منهم ولد وما كان معهم من إله إذا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا ي َ س ْ ف ُ و ن َ الحمد لله พี่น้องคำสุราเนี้อายานี้ต้องการคืออัลลอฮ์ประกาศในตับซีภาษาอาหรับว่าไงนะอัลล์ประกาศ เรื่องสิท์าของอัลลอ์เองน่ะอัลล์ประกาศว่าอัลลอ์เนี่ยไม่มีสิงเหล่านี้นะครับอะไรบ้างครับมัตตาซัลลอฮฺมีวัลาดะวรลับแปลว่าลูกมาแปลว่าไม่อิตตาขายาแปลว่าตั้งหรือเอาอัลลอ์มิได้ทรงตั้งผู้ใดให้ผู้ใดเป็นลูกหรือพระบุตร อัลลอฮ์ไม่ได้ทรงตั้งผู้ใดเป็นลูกของอัลลอฮ์เนี่อยอาย่านี้เนะี่ยวักนี้เนะี่ยเป็นหลักฐานค้านที่พี่น้องชาวนสรพูดว่านบีอีซาเป็นพระบุตรอยาย่านี้ค้านบอกไม่ใช่อายาพี่น้องอ่านกูนอ่านได้ขอคิดเยอะมากเลยมัตตะกะซาลอฮูมิุวาลัดะ คนที่ตั้งนบีอีสาเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นลูกอัลลอฮ์ไม่ใช่ไม่ใช่อีสราไม่ใช่นาซา ร, ร์กลุ่มเดียวนะยะฮูดีก็เหมือนกันตั้งอูเจสที่อูเจสนะเป็นลูกอัลลอฮ์เหมือนกันแล้วก็อารับมุชริกีนในนครมักกะเหมือนหนึ่งพันสรอปีพวกนี้ก็ตั้งมาลายิกานี่เป็นลูกสาวอัลลอฮ์เหมือนกันก็เรียกว่าสามกลุ่ม หรือใครก็ต่ที่เชื่อเชื่อว่าอัลลอฮ์มีนั่นอัลลอฮ์มีนี่อัลลอฮ์มีลูกเนี่ยกูอ่านวัดนี้นี่นะเป็นหลักฐานยืนยันว่าไม่ใช่อัลลอฮ์ไม่เคยตั้งผู้ใดเป็นลูกของอัลลอฮ์มัตตาคอซาลอหูมิหวาลเดอัลลอฮ์ไม่ได้ทรงตั้งผู้ใดเป็นลูกหรือพระบุตรอัลลอฮฺอักบัดเข้าใจน่ายเข้าใจง่ายจะทำอย่างไรละ ว่ามากะนามาอหูมินอิละอิละแปลว่าพระเจ้าถ้ารับบุญเนี่ยแปลว่าพระผู้อภิบาลผู้สร้างรับผิดชอบดูแลถ้าอิลาเนี่ยเอาไว้กราบอย่างเดียวเรียกว่าพระเจ้านะว่ามากะนามาอาูมาอหูพร้อมกับพระองค์นะครับมากะนาแปลว่าไม่ และไม่มีพระเจ้าอื่นใดร่วมกับอัลลอฮ์อันนี้ประกาศชัดเลยในโลกนี้ไม่มีพระเจ้าย่อยๆนี่เป็นหลักฐานใครที่คิดว่าพระเจ้าย่อยมีพระเจ้าหนุนมีพระเจ้านี้มีก็หุบอัลละฮ์ว่าฉันรับผิดชอบจะเพียงผู้เดียวไม่มีพระเจ้าอื่นๆย่อยๆมาช่วยงานของอัลลอฮ์สุบฮานาวุฒิอาลาชัดเจนนะฮัสซบาเจอะละคำดุลิลละตัวลงว่า พระเจ้าย่อยๆมีหรือไม่มีไม่มีตัวตะเกียมีหรือไม่มีไม่มีตัวระยองไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในโลกนี้ไม่มีไอที่มีปโกหกทั้งหมดอารยบงอารยมารมีไห ม, ม, ม, ม, มไม่มีเ <laughs> นี่ยประกาศชัดเลยอัลลอฮ์ประกาศใ น, นคัีรุอ่านประกาศว่าท่านนี่ยสะอาดบริสุทธิ์นะจะกลับเอาเรื่องที่หนึ่งมัตตะคารลาฮูมิุวาลาดะอัลลอฮ์ไม่ได้ทรงตั้งผู้ใดเป็นลูกหรือพระบุตร วมะกาณาอาฮูมินอิละและไม่มีพระเจ้าอื่นใดร่วมกับ Allah. อัลลอฮ์อิละเนี่ยแปลว่าพระเจ้าเอาไว้กราบนะถ้ารบบุญเนี่ยเขาอัลลอฮ์สร้างดูแลดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ฟ้าแผ่นดินกลางวันกลางคืนมนุษย์และสัตว์อัลลอฮ์สร้างหมดเต่นี่อิลาเนี่ยเอาไว้กราบอย่างเดียวถ้าใครก็ตามถ้าไปเคารพสิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์เขาทําชัริก คนอาบมุสลิมนี่นะเขาเชื่อว่าอัลลอฮ์เนี่ยเป็นผู้สร้างนะเป็นเป็นมุสลิมยังยังขนาดเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างชั้นฟ้าแผ่นดินกลางวันกลางคืนมนุษย์และสัตว์นะครับดวงอาทิตย์ดวงจันทร์อัลลอฮ์ยังไม่ยอมรับว่าคุณนี่เป็นมุสลิมนะคนเป็นมุสลิมต้องเชื่อในอัลลอฮ์ในสามรายการหนึ่งเชื่ออัลลอฮ์เป็นผู้สร้างยังไม่พอ อัลลอฮ์เป็นอิลล่าเป็นพระเจ้าเอาไว้การาบด้วยแล้วก็ข้อที่สามอัลลอฮ์มีคุณลักษณะหรืออัสมาอุลฮุสนาเนี่ยอีก9ก้พระนามถ้าเชื่อในสิ่งเหล่านี้แล้วเพื่อนั้นเพิ่อนจะเป็นมุสลิมจะสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ก็ต้องมี إيمان เอง อ, ะอ่ะอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นแล้วคนอาหรับนี่ขนาดเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นสร้างเป็นผู้สร้างชั้นฟ้าแผ่นดินดวงอาทิตย์ดวงจันทร์กลางวันกลางคืนมันมนุษย์และสัตว์เนี่ยพวกนี้ยังไม่เป็นมุสลิมไนงะ อัลลอฮ์ส่งนบีมาสอนอีกบอกว่าต้องต้องมีอีกสองเรื่องนะจะ ก, กราบสิ่งเงินใดนอกจากอัลลอ์ไม่ได้วันนั้นคนอาดับมุชลิมไหนกราบอะไรรู้ไหมไมีอยู่มาหกหกรูปเป็นคนหมดเลยที่ตายไปแล้วนะลาดอุจามานาสโอ้นี่เป็ น, ป น, ปนแบบโต๊ะต่เกียบบ้านเราเหมือนกันเลยไม่ตามกันเลยไปกราบไปขอขอจาก สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้เนะี่ยให้ขออย่าละอีกทีหนะนึ่งเนี่ยอัละอ้าห้าหมอดอยาไปทํานะพี่น้องไ อ, ไอ้ความรู้สึกแบบ น, นี้ในะในกลุ่มพวกเราก็ยังมีอยู่นะเออไอ้คนนี้มันศักดิ์สิทธิ์เวอรมันสําคัญต้องไปหามันหน่อยในอินเดียมีเยอะมากเลยนะถึงสาสนามันดังๆในอินเดียเพราะเคารพเคารพตั้าครูกันหมดเลยนะ่ะที่เาคารพเจ้าครูก่อนตายไม่มีปัญหาดิ ให้ตัวครูช่วยขออุอาให้ช่วยได้ใช่ไหมขออยาล้อช่วยช่วยคนนี้หน่อยช่วยคนนี้หน่อยแต่เวลาเขาตายแล้วเราไปหาคนที่คูโบอันนี้บาปอย่างแรงเลยนะพอตายแล้วจบไปขอไม่ได้นะครับไปขอความผู้เยาะจากคนตายไม่ได้นะครับอ่ะต่อมาครับวามากานามาอาูมินอีลและไม่มีพระเจ้าอื่นใดร่วมกับอัลลอฮ์นะครับ อีจันละจ้าฮาบะกุลุอิลห์ถ้าหากว่ามีอ่าถ้าหากว่ามีมีพระเจ้าอื่นร่วมในการกราบร่วมในการสร้างกับอัลลอฮ์เป็นไงรู้หรอเราเองนะอีจันเมื่อนนั้นแหละละจ้าฮาบะพวกเขาก็จะพาไปครองจ้าฮาบะจะพาไปกุลุอิลห์เหน สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าพระเจ้าที่เขาที่แต่ละองค์แต่ละองค์อ่ะสร้างมาเนี่ยพวกเขาจะเก็บไปใช้จะไม่ให้คุณอื่นแบ่งจะแบ่งให้คุณอื่นใช้ออเอาไปเอก็บคุณเดียวหมดหรือมันก็ขายเนื้อกระสิตใช่ไหมอย่างพวกเราเนี่ยทําทําเองขายเนื้อกริตออกไปได้เงินได้ทองนี่เอาเล้อเล่าเองนะถ้าหาว่าพวกเหล่านั้น่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในโลกนี้ถ้ามีความสามารถสร้าง อะไรได้บนโลกนี้นะเขาจะเอาสิ่งที่เขาสร้างนั้นไปครองเอาไว้ไม่ให้ใครใช้ถ้าจะใช้ก็ต้องเสียต้องเสียลิขสิทธิ์ต้องเสียนู่นเสียนี่อย่างกับแฟรนชายเหมือนอย่างอโลอักบาตค้นที่ร่ำรวยกับแฟรนชายมีไหมเยอะสร้างเจ้ามามาสร้างอาหารมาชนิดหนึ่งอะไรอย่างกับสตาร์บัคสตาร์บัคมาขายทั่วโลกเลยอะพอเป็นเจ้าของจะ่เพนผู้เดียวมาบอกว่า ไม่อนุญาตเอาไปใช้ได้นอกจากจะต้องขออนุญาตจากเจ้าของเดิมเสียก่อนหนังสือก็เหมือนกันเนี่ยพิมพ์หนังสือมาเนี่ยใครจะไปคัดลอกเราต้องขออนุญาตเจ้าของก่อนนะนีะ่ไงสนนลิขสิทธิ์เอาล้อเล่าเองนี่ก็เอากุณ อ, อ่านอนุญาตนี่แหละโปรฟ์ฟาร์มเอาไปใช้กันหมดเนี่ยฉันนั่นเมื่อฉันสร้างขึ้นมาฉันก็ขอลิขสิทธิ์แต่เอาล้อบอกว่าฉันสร้างทุสิ่งทุอย่างบนโลกนี้ไม่มีลิขสิทธิ์อาไปเลย เช่นกุ้อ่านของอัลลอฮ์เนี่ยเป็นคัมภี์เล่มเดียวที่ใครสามารถเอาไปพิมพ์ก็ได้ใช่หรือไม่ใช่แล้วขออนุญาตจาใครไอ้ทั้งขอจากใครเลยเฉพาะกุอ้อานนะอ่านใครพิมพ์ก็พิมพ์ไปใครจะแจกก็แจกไปเมื่อทั้งขอเลิกศิษย์เนี่ยยิ่งใหญ่ขนาดไหนอัลลอฮ์ Allah. แต่ของมนุษย์เนี่ยใครลองสร้างอะไรมาสักอย่างหนึ่งเนี่ยให้ใช้ฟรีมีป่ะโอยถ้ามนุษย์เดี่ยมันคุมชั้นชั้นฟ้าได้นะ จะเอาแดดต้องซื้อมันนะ่ะแปดโมงขอเซตแดดครึ่งชั่วโมงเอาเท่าไรมันก็เปิดแดดให้ใช่ไหมล่ะแต่นี่ของอัลลอฮ์เนี่ยฟรยีหมดเลยไม่เห็นอัลลอฮ์เนี่ยถ้าชายปัญญาไปนึกไปอ๋อละห้มไลเลยอัลออลอฮ์เนี่ยยิ่งใหญ่กขนาดไหนี่ชายถนนั้นนี่เสียตังใช่ไหมขึ้นทางบูเสียตังว่าขึ้นทางบัวก็เสียตัง นนานจะเปิดอย่างสงการเนี่เปิดฟรีสมาชิกสวนใหญ่ก็จะเก็บตามตลอดทั้งปีเนยแหละสงวนเลิกสิทธนี่อัรรถเล่าเองนะครับถ้าพู้ถ้าพระเจ้าย่อยๆเนี่ยสร้างสรรพสิ่งอะไรมาก็ตามนี่นะเขาจะเอาไปครองรับยอดจะไม่ให้คนอื่นใช้นอกจากจะต้องเสียนู่นเสียนี่เสียค่าใช้ใจ่ายเสียเลิกสิทธิ์โอ้เยอะเต็มไปหมดเลยยกตัวอย่างทางเดือวกันแล้วกันรัฐบาลก็เก็บหมดเลยใช่ไหมเขาเยอเต็มหมด โรงพยาบาลกำกันออกซิเจน ygen, อยู่ฟรีห้องมอกใช้ฟรีพอเข้าโรงพยาบาลภาพเรียบร้อยเลยตอนหายใจไม่ออกออกลคิดแพงด้วยตรงนั้นนะครับต่อมาครับอ่านมาอีเที่ยวนะมัตตาคารลอหูมิววลเดออัลลอฮ์ไม่ได้ทรงตั้งผู้ใดเป็นลูกอ่าพระบุตรนะครับวามก า, า, านะมะฮูมินอิลา และไม่มีพระเจ้าอื่นได้ร่วมกับอัลลอ์ในการบริหารโลกใบนี้นะครับแล้วก็ในการกราบด้วยนะในการบริหารในการกราบร่วมกับอัลลอฮ์ไม่ได้เลยเอาไปกราบสิ่งอื่นเหมือนอัลลอ์ไม่ได้นะครับอิลัลลาฮะบักุลุอิลฮิบิมาคาลาเกะนกรณีเช่นนี้ถ้ามีพระเจ้าแต่ละองค์ คงจะเอาสิ่งที่ตนสร้างไปเสียหมดแล้วแต่ละคนจะเอาสิ่งที่ตนเองสร้างไว้ไปครอบครองและไม่ให้คนอื่นนำมาไใช้ด้วยถ้าจะใช้ต้องเสียลิขสิทธิ์อย่างนี้เป็นตน้นวะลาละบางดูมะละบางดีอะลาเนปวาอํานาจอํานาจ อำนาจเหนือกว่าอีกบางคนวะละละบางรู al uh um มละบางแน่นอนพระองค์บางองค์ในหมู่พวกเขาก็จะมีอำนาจเห น, ออเนือกว่าอีกบางองค์มีเหนือกว่าอีกบางองค์คือ เ, เมื่อละใ ห, ใ ห, ให้อำนาจนี่นะอำนาจคนนี้จะใหญ่กว่าคนนีจ้จะมาต่างคนต่างใหญ่แบ่งแบ่กันใหญ่แข่งแข่งกั น, กนใหญ่ซึ่งกันและกันนี่อำนาจที่อัลลอฮฺให้มา ก็ดูสิในดุนทูวานน้ก็เหมือนกันอัลลอฮ์ให้อำนาจจะเล็กน้อยเองอัลลอฮ์แอบแวดเตะเงก็น่าดูนเตะทหน้าอัลลออำนาจนะยกกระสูงหน่อยรองลงมาแม้มันตามประมาณนิดแต่ว่าเตะท่ากัน่าดูเลยแต่มาดูอัครลากนบีมุฮัมมัดนบีนี่ใหญ่ที่สุดเป็นนบีใหญ่ที่สุดอำนาจใหญ่ที่สุดลองลงมาจากอัลลอฮ์เคยเตะท่าไหมเคยเบ่งไหมไม่มีครับ ผมอ่ญญานจากฮะดิษ ส, สมาอินติติมีดีนบีไม่ทำสามข้อข้อที่หนึ่งนบีไม่ทําเลยนะเด็ดขาดอัลมิรออุนบีจะไม่ทะเลาะจะไม่โต้เถียงอโต้กับใครบ้างหนึ่งโต้กับภรยาไม่ทะเลาะกับภรยาไม่ทะเลาะกับลูกๆไม่ทะเลาะกับบรรดาสาวบ้านนบีซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านนาบีมีเป็นแสนคนนบีไม่เคยทะเลาะกับใครเลยเห็น ไ, ไหม อำนาจมีไหมมีเรื่องที่สองอัลอิบบาตนาบีไม่เคยเตะท่าไม่โอหังไม่วางอะไรันะวางตัวนะเตะท่าหน่อยแต ก, ก็ บ, บุตรในเยื่อหญิงนะนะสายนาบีไม่มีเลยคนระับทั้งที่รู้ว่ายายสุดนะในะยุคนั้นเนะวันนี้ก็เหมือนกันนบียังใหญ่สุดอยู่นะแต่นบีไม่เคยวางท่าไม่เคยเตะท่าไม่เคยจองหองอวดดีไม่มีเรื่องที่สามวามาลายานี้ อะไรที่ไม่เป็นประโยชน์ในโลกอาคิรอนบีไม่ทําถ้าทําแล้วได้เฉพาะดุนยาอย่างเดียวนบีไม่ทําเวลาทํางานสักอย่างหนึ่งต้องมีผลต่อเนื่องถึงโลกอาซิอรอดด้วยเอางี้กินน้ํานียพี่น้องอะกินน้ําให้ถึงอาซืรอแล้วมีรางวัลด้วยกินยังไงกินตามนาบีจับแก้โดยมือขวาก่อนจะอา่าตอนจะดื่มอ่านบิสมิลลาห์ดื่มน้ํำขั้งแรกเนี่ยไม่เกินสามอึก ให้ดื่มที่ละอึกสองอึกพอแล้วแล้วก็ถอดแก้วออกมาแล้วก็หายใจดื่มครั้งที่สองกี่อึกก็ได้แต่ห้ามหายใจในขณะดื่มน้ําที่เป็นสุนนาของตันนดีผลบุญในอัสลามีไหมนี่ครับผลบุญที่เป็นรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮฺสุบฮานุบุบะตาเลาะอัลฮัมดุลิลลาฮฺกับพี่น้องวาลาบะฏูฮฺมาลาบะฏ และอำนาจและแน่นอนพระเจ้าบางองค์ในหมู่พวกเขาก็จะมีอำนาจเหนือกว่าอีกบางองค์พอมีอำนาจเหนือกว่าก็ทะเลาะ ก, กันใช่หรือไม่ใช่นี่ความหมายนะถ้าอีกคนหนึ่งใหญ่อีกคนหนึงเล็กคนเล็กก็ด่าคนบนใช่ไหมไอ้คนบนจะดูถูกคนข้างล่างนี่ไนงะมันก็ตามมาอย่างนี้แหละต่อมาครับ سبحان الله ัลลอฮ์อัมยาซีฟูนอัลลอฮ์สุบ حان อัลลอฮ์จะแปลอะไรนะมหาบริสุทธิ์ยิ่งแต่อัลลอฮ์อัมยาซีฟูนอัลลอฮ์พ้นนะครับอัลลอฮ์พ้นจากที่พวกเขากล่าวหาทำไมอ่ะอัลลอฮ์นี่มีคนกล่าวหาเยอะว่าอัลลอฮ์มีลูกอัลลอฮ์มีภรรยานะครับอัลลอฮ์มีหลานอัลลอฮ์มีลูกสาวอัลลอฮ์มีอัลลอฮ์มีมีมีลูกชาย สุบฮานอัลลอฮ์มหาเบญสุดยิ่งแต่อัลลอฮ์อัลลอฮ์พ้นอยู่เหนือสิ่งที่เขาเสกสรรตั้นแต่งฤตําหนิอัลลอฮ์สุบฮานอูวาตาเลาอย่าลืมนะคนที่พูดตำหนิอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์เอาเรื่องนะแต่ตอนนี้อัลลอฮ์ปล่อยไปก่อนนี่มันนั่งอ่านกูนอ่านอัลลอฮ์ปล่อยยังไงอัลลอฮ์ไม่ลงโทษอ้าปล่อยไม่ว่าไปว่าไปว่าไปประวิงเวลาเอาไว้เนี่ย ไอ้ประวินเวลาไว้เนี่ยสําหรับคนฝังถน้นนี่นะมันเพิ่มความบาปประวิงยาวมันก็ บ, บาปยาวแต่คนฝังคนี้เนี่ยประวินเวลาเนี่ยดีมากนะหนึ่งเขาได้กลับเนื้อกลับตัวไปหาอาลัลลอฮ์พี่น้องเราเนี่ยหลายคนนี่กลับเนื้อกลับตัวพรป่วยใช่หรือไม่ใช่เจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยหลายคนเตาบ้าตัวต่วออัลลอฮ์หมดส่วนใหญ่นะคนฝังคนนี้นะ แต่คนฟังคา น, นูเนี่ยประเวงเวลาเอาไว้ก็เพื่ออะไรลยียาสุดาดูอิสแมนเพื่ออัลลอจะเพิ่มบาปอ่าเพิ่มโทษให้กับพวกเขายิ่งอยู่พวกเขาไม่มีโอกาสได้สนใจศาสนาแต่ตัว น, นี้เรื่องมาก็เยอะแล้วนะมารับอิสลามคนเยอะนะอัลลอฮฺเล่าข้มดุลิลเยอะมากเลยเล่ามดุลิละฝรังยิวูดีกลัวนะกลัวา ม, มากๆต่หายคนในในอเมริการับอิสลามเยอะๆเนี่ย คณ า, าทิบดีคนต่อไปอาจจะเป็นมุสลิมกไ็ได้ตอนนี้เข้ามาขึ้นกว่าเลยว่าโอบามาเนี่ยมุสลิมจะมุสลิมยกสงสัยยังว่าเดินม่ช้าอีกสักยี่สิบปีสามสิบปีข้างหน้าเนี่ยอัลลอหฺอักบ น, น่าคิดนะครับน่าคิดอทีนี้ว่าละเบ้าดูหุมเบ้าเบนแน่นอนบางองค์ในหมู่พวกมันมีอำนาจเหนือกว่าอีกบางคน เวลามันขัดผลประโยชน์กันมันก็ทะเลาะกันนะครับซุบฮานะลอออัลมายาสฟูนมาาบริสุดยิ่งแต่อัลลอฮ์พ้นจากที่วูเขาก่าวหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวตาลพียน้องครับอัลล์เนี่ยนะทรงให้อาหารากับมนุษย์ได้กินแต่อัลล์ไม่กินจำข้อใจตรงนี้ด้วยนะอย่าคิดว่าอัลลอ์นะ่กินอาหารวัลสามือแบบเรานะไม่กินครับ ต่อมาอัลลอฮ์เนี่ยให้ทุกคนดื่มแต่อัลลอฮ์ไม่ดื่ม น, นะครับอันที่สามอัลลอให้เสื้อผ้ากับคนได้สวมใส่แต่อัลลอฮ์ไม่ไม่ทรงเอาอาพรนะครับอัลลอฮ์ทรงให้ทุกคนพักพรบางคนเมื่อคืนนอนไม่หลับไม่ไหมอัลลอฮ์เครียดนะเนี่ยแต่อัลลอฮ์ทรงภาคผรอนไหมอัลลอฮ์ไม่พาคพรอนยาฮูดี บ, บอกว่าอนะัลลอฮ์น่ยสร้างโลกมาก็าพักผ่อนวันหนึ่ง อาวันเสาร์แล้วมันก็เอาวันเสาร์ไปวันหยุดน้างอัลลอฮ์ผิดทั้งหมดเนี่ยแต่อัลลอฮ์เนี่ยไม่มีมันได้พักพอไม่เหนื่อยอัลลอฮ์งานที่อัลลอฮ์สร้างเนี่ยบอกกุญฟ a y g o u นจะมีอะไรล่ะใช่ไหมอ่ะต่อมาครับอัลลอฮ์ให้ทุกทุกชีวิตเนี่ยต้องต้องตายอัลลอฮ์ตายไหมอัลลอฮ์ไม่ตายครับอัลลอฮ์ให้ทุกคนเนี่ยถูกสอบแต่อัลลอฮ์สอบไหมไม่สอบไม่มีใครไปสอบอัลลอฮ์ ว่าสร้างมาทําไมสร้างทําไมทำสร้างอย่างนี้ทําไมไม่มีใครกล้าถามมารอด้วยแต่อาร้อเนี่ยทดสอบมนุษย์ทุกคนอาร้อนนี่นะให้ทุกคนได้รับสิ่งที่เขาต้องการแต่อาร้อนไม่ต้องการอะไรเลยเนี่ยอ่านจากภาษาอุญ ด, ดูอาร้อนอธิบายให้คนได้อิมานตอนรอดเข้าใจง่ายๆนะพี่น้องอาร้อนเป็นคนจัดคู่จัดคู่ให้แต่งงานเนี่ยนะอาร้อเป็นผู้ที่เลือกคู่ที่ดีที่สุด แต่อัลลอฮ์ต้องมีคู่ไหมอัลลอฮ์ไม่มีคู่อัลลอฮ์ Allah ให้ประกาศให้ไฟเย็นกัรนำ บ, บีบรอยีมจริงไหมไม่จริ ง, จ ร, งจริงครับเนี่ยทั้งหมดเหล่านี้เป็นสิฟัตของอัลลอฮ์สุบฮานาหูวาตาละนะครับอัลลอฮ์สั่งให้ปลาที่อม น, นบียูนุสไว้อยู่ในท้องปลาสั่งให้ได้สั่งให้คลายละปลาคลายไหมคลายครับละตายไหมไม่ตายครับอย่างนี้เป็นต้นครับ นี่เป็นนะเป็นความสามารถของอัลลอสุบฮานหูวะตาละอันนบีพูดต่อไปอีกว่าคำสอนของฉันนี่นะหรือว่าสุนนะนบีนี่นะจะอยู่กับโลกใบนี้จนกว่าจะถึงวันเตียมะท่านพูดอีกว่าเหล่ากาณมูซาไฮยันนี่นบีพูดเองนะถ้าหานาบีมูซามีชีวิตอยู่นบีมูซาจะไม่เลือกเอาคำสอนของใครมาใชา้ นอกจากปฏิบัติตามท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮิวะซัลลัมยิ่งใหญ่ขนาดไหนนบีประกาศเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คนที่ไม่เอาสุ น, นัขานาบีไปนะขาดทุนนะขาดทุนเมื่อไรใช่ไหมวันนี้ก็หลงตัวเองอยู่ห่างไกลโขนทางที่ถูกต้องทำบาปทำชั่วไม่คิดจ ะ, จะสำานึกตัวต่ออัลล์แต่ถ้าเอาอัลลอการ์มสลามี่ผ่านท่านนาบีไปเนี่ยอัลลอฮ เขาจะนอบน้อมแล้วกระอมตนต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตาเลาท่านาาานบีมูซา ม, มีชีวิตอยู่เนี่ยนบีว่าไงนะนบีมูซาก็จะเอาคำสวนของฉันเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับต่อมาอายาที่92อาลิมุลไกรบิวัะชฮาดะอาลิมุลไกรบิวัะชฮาดะ ฟ้า تعالى ัมยุชริคุนอัลลอฮฺอะลบับอาลิมล้ายบิวัล์ชาดัฟ้าทัาล่าัมยุชริคุนอัลลอฮฺอะลบับอาลิมเนี่ยปนอรู้อัลลอฮฺใชกับมนุษย์ด้วยอาลิมเนี่ยแต่ศีลธรรมองล้านั้นอาลิมมาเล่าเป็นผู้ที่รู้ อร่อยบบแปลว่าสิ่งที่มองไม่เห็นหรือเร้นลับคือต้องต้องนึกภาพนะโลกดุญญาใบนี้ประชากรมีเท่าไหร่เจดพันล้านอาลรรู้หมดเลยเ็ดพันล้านน่ะอยู่ยังไงนอนยังไงกินยังไงคิดเรื่องอะไรแล้วก็ต้นไม้ทั้งหมดที่อยู่บนโลกใบนี้มีอยู่กี่ต้นเนี่ยอลรรู้หมดแล้วก็ร่วงวันละกี่ใบรู้ไหมรู้และไอ้ิงอกออกมาวันละกิ่ต้นรู้หมด และ ว, วันนึ่งคนตายเท่าไรอยู่ในพระหักของเราทั้งหมดนี่อาลิมุลอยบพระองค์ทรงรอบรู้สิ่งที่มองไม่เห็นหรือสิ่งที่เล็บสิ่งที่เลึนลับหรือสิ่งที่พ้นญาณวิสัยนะครับเราต้องเราต้องเชื่ออย่างนี้เขาจะอีมมาเราเพิ่มนะวัชชาดชาดาแว่าที่ทีเปิดเผยหรื อ, ร อ, รอที่เห็นได้เราเห็นได้ นะครับแต่ของที่มองไม่เห็นเราไม่เห็นแต่อัลลอฮ์เห็นวัชฮาด้สิ่งที่เปิดเผยสิ่งที่มองเห็นเราบางทีเรื่องเปิดเผยอยู่ในอเมริกาเรารู้ไหมไม่รู้แต่อัลลอฮ์รู้เรื่องเปิดเผยอยู่ในแฉ่รู้ไหมเราไม่รู้แต่อัลลอฮ์รู้เรามารู้เราจะข่าวมาแล้ววันหนึ่งหรือสองวันหรือชั่วโมงหนึ่งอาจจะข่าวมาแต่เราดารู้ก่อนตลอดเวลานะครับตออาลาตาลาเปรว่า พระองทรงสูงส่งยิ่งตะาดาเนี่ยทรงสูงส่งยิ่งอา ม, มาโยชริกูนจากสิ่งที่พวกเขาตั้งภารีตัวหลวงว่าอะไนะมนุษย์ไปไปเก็บอะไรมากราบเนี่นะไม่เกี่ยวกับอลรรห์เลยคุณทําผิดเองไปเอาน้ําอะไรนะไปเอาหินมาเอามากราบอลรรห์ Allah ไม่เกี่ยวคุณทําผิดเอง พวกเราก็เยอะนะรออาบเอาอซิมัตมาใส่มือใจมนุษอันนี้ช่วยได้หรือว่าพี่น้องเราทางทางภาคใต้ใช่ไหมเอาเรือออกไปจับปลาก็มีผ้าอยู่เจ็สีนะเขียวแดงเหลืองอะไรพวกนี้นะเขาะ้าใจไหยผ้าเจ็สีนี่ช่วยปกป้องภัยอันตรายได้ชิรอศาสนาอิสลามสอนดีมากพี่น้อง อย่าไปเคารพสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺอย่าไปกราบสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺอย่าไปคิดว่าสิ่งนี้ศักดิ์สิทธิ์ป้องกันเราได้ไม่ใช่นะครับถ้าจะไม่ให้สัตว์ร้ายกัดทาําไงไปน้องต้องขอตัอวเช้าเ้านี่ยต้องขอตัวตัวอาร์าที่ว่าสิบเก้าบทเนี่ยหนึ่งในนั่นก็คือตัวอาร์ป้องกันไม่ให้สัตว์ร้ายเนี่ยกัดเราเช่นนี้นะครับอาลล้าวซูบิการีมาติลาฮิตะมาตินินชารีมาคอลัก ب ิ سم الله لذيلا ي د ر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء ووسمي أعلم นี่ไงป้องกันสัรายแต่บางคนอ่านแล้วงูกัดมีไหมมียังผมเนี่ยถามว่าอ่านมาสิปีแล้วทำไมงูกัดก็เรจะให้กัดนะแต่ว่ากัดแล้วอันตรายไม่มีงั้นอยู่ตรงนี้แต่หาล บางทีเราความรู้ของเราเล็กนิดว่าอ่านแล้วป้องกันป้องกันะ ป, ป้องกันไม่ให้มีอันตรายไงแต่ว่าไม่มต้องไปฉีดยาไม่ต้องไปกินยาไปนอนอยู่โรงพยาบาลหมอว่าคุยโรคกู้กันไม่มีไม่โผล่อลันนี้ถึงอรรถอรรถคุ้มครองท้ามดุลีลาอย่างนี้ต้นๆนะครับเหมือนกันนการคนที่อ่านดุอาก่อนเข้าห้องน้ําเนี่ยอ่านว่าไงนะอ้าวซุ บิล้วอมินนลุคบุษซีวันขอบายแต่อ่นทุกวันพี่น้องหนึ่งป้องกันไม่ให้ลมในห้องน้ำสองป้องกันใช่ตอนไม่เห็นอวัยวะเพศแต่มีอยู่คนหนึ่งที่มาฟังศาสนาวันเสาร์ที่ที่เราเนี่ยนะลมในห้องน้ําแล้วพูดไม่ได้สองสามวันเขาเนื่ว่าอินนาลินแล้วจะหายปกปิดนอะ่ะไปไหมธรรมดาลมในห้องน้ำนี่มีแต่อินนาลินแล้วนะสองสามวันอินนาลิลแล้วหมดแหละแต่อเราคุมของคนกวนี้ ไม่ให้เป็น said, อั น, นตรายแค่พูดไม่ได้ i, วันสองวันแล้วก็หายนี้มเพราะพ้นจากการดูอานทูอานที่เราขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ไว้นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับเอาต่อมาครับอายาที่เก้าสิบสามพรบมาตุรียานีมาอยู่อาดุนพรบ อิหม่าตุเรียนนิมาญอุดุนอัลลอฮุอะล u ยฮ a วะเบอุลกุลแปลวมเอยจงรัจงจงพูดจงกล่าวจงตั้เรียจงด่าวะนะครับจงสอนรบดีฆ่าแต่พระผู้อาภิบาลของฉันนี่เป็นตัวอานะอานี่เป็นตัวอาอัลลอฮฺสอน ให่กับนบีเรื่องมารยาทในการขอดอาฉะนั้นการขอดอาดมเป็นเรื่องใหญ่ครับอย่าเป็นคนที่ไม่ขอดอาดมต่ออลัลลอฮฺอย่าเป็นคนแบบนั้นคนที่ไม่ขอ อ, อุดมอัลลอฮฺโกรธไมเหมือนมนุษย์มันรู้ท่าขอกันมากๆเนี่ยรำคาญมากอีกแล้วมาขออีกแล้วแต่อลัลลอฮฺไม่ใช่อย่างนั้นคณะพี่น้องเราที่ทําพายเอยู่นะที่ทุ่งอะไรนะ ทุงอาบัติฟ้าเจมั้ล่ะทุ่งมีนาเนี่ยเป็นล้านอ่ะขอทุงอาพร้อมๆกันน่ะเราฟังออกม่ลูกสามคนพูดพร้อมๆกันเราก็งงแล้วเจอมั้ยของอัลลอฮ์นี่พี่น้องจะเป็นกี่ล้านก็าตามขอทุงอาเวลาเดียวกันอัลลอฮ์รู้หมดแล้วว่าเองขออะไรคนนี้ขออะไรขออะไรขออธิบายได้ชัดเจนเลยจะต้องการขอดุ่งอาเป็นองค์ับเป็นยิ่งใหญ่นะทีนี้อัลลอฮ์สอนนบีบอกว่าให้ขออย่างนี้ พุรบบีจงกล่าวเถิดมัามัดข้าแต่พระผู้อาภิบาลของฉันอิ ม, มาท่าหากพระองค์ตูรยิยานนีทรงได้ทรงให้ฉันเห็นอ่าตูรยิยานนีแปลว่าทรงทำให้ฉันเห็นเห็นอะไรไปแล้วครับเห็นการลงโทษมาอยู่อดูนที่พวกเขาได้ถูกสัญญาไว้ นะครับหรือว่าขู่เอาไว้สามทับเอาไว้เพราะว่าในคัมภีร์คุณอานพี่น้องหลายอายาอะอัลลอฮ์อธิบายอย่างนี้คนกาเฟตคนมุชริกถ้าไม่กลับเนื้อกับตัวถ้าไม่ตอบ้าตัวต่วตวตออลัลลอฮ์ในวันกิยามะแน่นอนอย่าตีน้นันวก็ต่อใหยันเด็ดขาดเขาจะต้องถูกลงโทษในวันอาคิราะยางแนนอน ทีนการลงโทษแบบไหนเราเราไม่รู้แตอา่อานอา่านอ่านจะกลัอา่านน่ากลัวลงนรกแล้วก็นรกเป็น้องถูกปิดจากฝาข้างบนอรอเป็นน้องมันทรมานที่สุดแล้วก็หนังของคนกาเฟ่นี่ห น, น, นาเท่าไรเดินกี่วันสามวันหนาเนี่ยหนังมันเนี่ยทําไมต้องหนาขนาดนั้นเพราะต้องการจะให้คนนี่นะถูกทรมานบนแล็บอย่างมาแมลงปล่อยกัดปั๊บเนี่ยซึมกั น, นไปอ่ย ลงทรมาน ก, กันหนาดไหนพี่น้องกว่าจะมาพนสามวันเนี่ยนั่นคือการทรมานในโลกอาคีรอทีนี้อัลลอฮ์บอกกับนบีบอกว่าอยากจะให้อัลลอฮ์นินโชให้เห็นว่าการลงโทษของคนที่คนกาเฟกับคนมุชริกที่ไม่เอาศาสนาเนี่ยเขาลงโทษยังไงให้อัลลอฮ์แสดงให้ท่นานนบีได้เห็นหน่อยพี่น้องอ่อย่างนี้อธิบายอย่างนี้อุลามาอธิบายเยอะนะ ขณะที่นบียังมีชีวิตอยู่อัลลอฮ์จะไม่ลงโทษนบีคก น, กนก่อนกับนบีมูฮัมหมัดนี่ตามกันนะนบีคนก่อนนี่นะอย่างนาบีมูซาเนี่ยเห็นฟาโร่จมน้ำต่อหน้าใช่หรือไม่ใช่พอพ้อพอนจากน้าทะเลไปหันมามองดูฟาโร่มาแล้วทหารมาอีกเจ็ดเจ็ดสนคนอัลลอฮ์ให้น้ามาประกบกันตายต่อหน้าท่านนาบีมูซาเลยนั่นฟาโร่เนี่ยอัลลอฮ์เกลียดมาก ไปถูกทำลายต่อหน้านาบีแสดงมาพูนี่อัลลอฮ์โกรธมากนะสมัยนบีมุฮัมมัดนี่นะอัลลอ์ไม่ให้มีเหตุการณ์เดียวากันเกิดขึ้นในสมัยท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลละอยู่อัลลอ์จะปะวิงเว ล, ล, ล, ลาไว้ไม่รีบลงโทษคนที่มาต่อต้านอิสลามอัลลอฮ์ไม่ลงโทษต่อหน้านาบีพระผู้อานอธิบายอย่างนี้ว่ามาคุณนามูฮัตซีดีนะใช่ไหม อัลลอฮ์จะไม่ลงโทษว่ هم, าอันต์ฟีหิมนบียังมีชีวิตอยู่อัลลอฮ์จะไม่ลงโทษและอีกเรื่องหนึ่งว่ามาคุณนามูอัลเดบีนะอะไรนะว่ฮุมยัสตักฟิรูนอัลลอฮ์จะไม่ลงโทษมุสเอ่อคนกาเฟทที่ไม่เอาศาสนาขณะที่มีถือน้องกลุ่มหนึ่น ง, นงกำลังเดินตะวักอยู่ที่กาบะกล่าวว่าง่ายนะ อัสสลัมอัลลอฮฺอัลลอฮุมะฟิริวาลิวาลิดายะวาดุอาะบทนี้เป็นทองกับคนที่ทําชั่วบนโลกใบนี้อลัลลอฮฺไม่ไม่รีบลงโทษนะกวินเวลาไว้สองรายการด้วยกัน ท, ที่อลัลลอฮฺบอกกับ น, นบีมูฮัมมัดเอ๋ยถ้าหากอลัลลอฮฺจะโชว์ให้นบีเห็นการลงโทษของคนกาเฟกกับมุชริกเนี่ยนะถ้ามีการลงโทษเกิดขึ้นให้ขอวดุอาะต่อไปนี้อีก รับบ <س ؤ> ال> ี a ل ا จะ جعلني في القوم الظالمين เนี่ยเราสั่งให้ให้มุสลิมขออุสั่งให้นาบีขอดุทิสั่งให้คนที่อ่านกัรอ่านขออุรบบี فلا จะ جعلني في القوم الظالمين รบบแปลว่าน่ข้าแต่พระพูอธิบาลของฉันซาลา جعل นี อย่าได้ทรงโปรดให้ฉันอยู่กับาลาตาจญานี้อย่าทําให้ฉันอยู่กับฟิลเกาเมลลาริมินร่วมกับผู้ที่ประพฤติผิดหรือคนชั่วทั้งหลายถ้าอาล่าถ้าการลงโทษของอัลลอฮ์มาให้ท่านนบีเห็นนบีอัลลอฮ์สั่งให้นบีขออุทอาให้ชาวบ้านนบีขอว่าไงนะอย่าให้ฉันอยู่ร่วมกับกลุ่มพวกเขา ให้แยกออกมาต่างหากหรือให้ฉันตายไปก่อนอะไรก็ตามไปมีคําอธิบายเยอะนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นนี่เป็นมายยาของมุสลิมของผู้ศรัทธาต่อ له, อัลลอฮ์อัลลอฮ์สอนนบีให้ขออุทิศต่ออัลลอฮ์ทั้งๆที่นบีน่ะรู้ว่นานบีไม่เอาจะมาซูลใช่ไหมนบีไม่มีโทษใช่ไหมแล้วขอขอทําไม เป็นการอะไรนะอตัวอย่างให้กับคนที่อ่านกุณอ่านฉะนั้นเราต้องหมันขอดุทิศต่ออัลลอฮ์เพราะว่าอัลลอฮ์เนี่ยทั้งๆที่อัลลอฮ์ประกาศในกะพีกุณอ่านว่าจะไม่ลงโทษคนที่ทําบาปใช่ไหมแต่บางครัง้งบางคราวอัลลอฮ์เล่นงานเขาเรียกว่าอะไร น, นะบายวันนะ่ะเล่นตัวคนตัวเล่นคนนี้บางคนนี้ผังเล่นอยู่บ่อยๆนะนี่ก็เป็นอาญาเหมือนกันนะฉะนั้นถ้าอัลลอฮ์จะลงโทษคนกาเฟสเนี่ย เพร น, นกการเมืองกูอ่านว่าเวลาอัลลอฮ์ลงโทษใครเนี่ยคนดีถูกด้วยใช่ไหมอย่างอย่างนั้นอัลกองเกสเนี่ยมีทั้งคนดีคนไม่ดีเราเล่นงานคนกองเกสเนี่ยให้แผ่นดินไหวตายไปห้าพันคนยกตัวอย่างแล้วคนดีมีแบบคนดีก็มีคนเลวมีไม่มีแล้วคนดีถูกทำไมนี่ไงเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์เลสบอกกับ น, นบีมุฮัมมัดเออให้ขออุญาอย่างนี้ถ้าหางอัลลอฮ์จะลงโทษให้ท่านนาบีเห็น อย่าเอาล้ออย่าให้ฉันนั้นร่วมอยู่กับกลุ่มเหล่านั้นให้แยกออกตัวออกมาอย่าถูกลงโทษแบบใครนะนบีลูดอะลาฮิสาลามใช่ไหมคนที่ฮอโมนเซ็กชวลเนี่ยเอล า, าลอลงโทษหมดเลยยกเว้นนบีลูดคนเดียวพระยานาบีลูอก็ถูกด้วยนะเพราะว่าอะไใส่ใจเป็นห่วงหันไปมอง ดินกระชากเลยทึกออกมาถูกลงโทษไปในตัวด้วยเลยอย่างนี้ตุนตุนฉะนั้นอัลลอฮ์บอกกับ น, นบีมุฮัมมัดเอ๋ยอัลลอฮ์ประกาศไว้ว่าถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่อัลลอฮ์จะไม่ลงโทษสองคนที่เดินต่อว่าที่นครมะ ก, กะจะไม่ลงโทษคนถามชั่วแต่อัลลอฮ์ก็ลงโทษเหมือนกันไม่ใช่ไม่ลงเนะี่ยสามารถลงโทษได้ถ้าอัลลอฮ์ลงโทษเนี่ยก็ขออ้อนวอนต่ออัลลอฮ์อย่าให้ฉันอยู่ร่วมกับกลุ่มพวกเหล่านั้นด้วยจาเป็นตรง แค่ห น, น, ลนลล่ละสามเดไมิรมีนพวกเราเนี่ยอยู่ในเมืองไทยก็ทมต้องอ่านเยอะอยู่ในอเมริกาต้องอ่านเยอะอยู่ในฮ่องกงต้องอ่านเยอะอยู่ในภูเก็ตต้องอ่านเยอะเพราะคนมูเชีเยเกีะคนกาฟเฟ่ที่ทํำบาปเยอะไหมเยอะมากเลยอ่ะเนี่ยดีมากเลยแค่นั้นสองวกักก็ต้องอ่านต้องอ่านสองสองวกักดีนะ อูรรับบีอ ي หมะตัดต د ริอันนี่มาอยู่อดุนรับบีฟะลาตัเนี่ฟิลเขาม่เนื่ออาณาญาเดียวสุดท้ายก็ได้นะรับบีฟะล ل ตัดเจลนี่ฟิลเ ل าไม่รอ黎明เราจะลงโทษคนกาเฟ่มุชลิกอย่าให้เราอยู่ในกลุ่มเหล่านั้นแยกออกมานิดนึง ฉะนั้นพี่น้องเวลามีปัญหานบีสอนนะเวลาลมพายุมาระวังเดี๋ยวอัลลอฮ์จะแฝงอัลาบมาด้วยนบีทําเป็นแบบนบีจะเข้ามัสยิดเดินเข้าเดินออกหน้านบีไม่สบายนบีกลัวนะทั้งที่อัลลอฮ์ประกาศว่านบีมีชีวิตอยู่อัลาบจะไม่มาแต่นบีก็ยังกลัวเพรออัลลอฮ์ลงโทษได้เมื่อไรก็ได้ใช่ไม่ใช่ฉะนั้นนบีจะ มองอย่าเอาลออย่าให้เรื่องนี้เกิดขึ้นแบบพวกอาสามุติเลยนี่เป็นต้นฉะนั้นที่ท่านคุณเฉลิมถามเนี่ยดีมากเลยครับผมจะเน้นว่าถ้าข อ, อามาแบบบังคับเป็นเคยไปอันนี้คิดเองทำจะถูกต้องไหมถูกต้องมากครับเพราะเราอยู่กับคนคนทำบาปเต็ไมไปหมเลยถ้าว่าอัลลอฮ์เอาเรื่องนะทุกรายการนะและเอียดยิบเลยนะไม่ใช่เว้นเว้นนะยกยกเว้นบางเรื่องที่อัลลอฮ์ยกเว้น แตส่วนใหญ่เราคิดคิดบัญชีละเอียดเลยนะอัลลอฮฺบอกขนาดใครอหะเอ่อมูอัคใครอ่ะคนตาบอนอ่ะสมัยนบีน่ะคือคนอาลานนะมไหมอัมบุลารินมักตูมปาตาบอนอ่ะมหานบีนบีกำลังนั่งคุยกับหัวหน้าคนมุชริกีนนบีเมินหน้าไม่ยอมพูกระย่างโมเฮ้ยทำไงไองอ่ะนี้ไล่เรื่องเร็ยกที่พ่ออยู่กับลูกลูกด่าพ่อ ที่คือว่าเราไม่เอาเรื่องอ่ะเ่าอ่ะฉะนั้นต้องนึกเยอะเลยโอ้โอย่าทําอะไรให้พ่อต้องเสียใจอย่าทําอะไรต้องให้แม่เสียใจต้องนึกฉะนั้นเหมือนกันสามีอยู่กับพยยี่เาทะเลาะกันทะเลาะกันทําไมเลาเอาเรื่องอยู่บนนะฉะนั้นอะไรนะเอาอัากาษขุษท่านนัลีไปใช้ในชีวิตประจําวันไม่ทะเลาะกับลูกไม่ทะเลาะกับภรรยาลูกก็เหมือนกันไม่ทะเลาะกับพ่อไม่ทะเลาะกับแม่ไม่ใจพ่ออย่างเดียวนะ รับนบีนนนมม่ทะลาะกับบรรดาซอบ้านนดีทั้งหมดอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอ้คำถามดีๆนะรับบีฟาลาตาเจาะลนีฟิลกอมิจซาลีมีอัลลอฮฺอัลาออัลลอฮฺลงโทษเนี่ยอัลลอฮฺลงโทษคนชั่วนะคนดีถูกไหมถูกได้คุ ณ, คณอ่านตรงไหนครับวัตตะกูฟิชนตัลาตุซีบันนัลละดีนัลอมูมินคุม คอซอกคซไม่เฉพาะคนชั่วเท่านั้นที่อัลลอฮ์ลงโทษคนดีก็ถูกด้วยแต่นี้พอคนคนคนดีถูกเนี่ยมันจะไปนรกนะอัลลอฮ์ให้คนดีไปสวรรค์อ่าเหนียดของเขาตอนตายเนี่ยเขาทําอะไรเขาเนียดที่จะดูแลศาสนาของอัลลอฮ์แล้วก็เกิดถูกลงโทษกับคนกาเฟตกับคนดีถูกด้วย เขาตาในสภาพคนมีอมานต่ออัลล์สุบฮานะหวนแล้วฟื้นก็ฟื้นแบบดีเลยนะครับพี่น้องอัลฮัมจุลาที่ต้อซื้ของอะรของท่านอิมามกุตตบีนะครับพี่น้องตกลงว่าดูอาบนี้ต้องเริ่มอ่านแล้วละนะรับบีอิมมาตุริอันนีมายูอาดูนรับบีฟลาตัดเจลนีฟิลามิจซลิมีน ต่มากระเพราที่เก้วสิห้าว่าอินวาอิลาอันนูริยากะมานาอิดูฮุมละกอดิฮุนว่อินอาลาอันนูริยากะมานาอิดูฮุมละกอดิฮุนอัลลอฮฺอักบะตนี่อพระคม์นี้อิมานเพิ่มนะเนี่ย ว่าอินน่าแปว่าแท้จริงอัลอลอ์เนี่ยอัลลเป็นผู้ที่มีอะไรและก็ดีเรียก่อนก็เดียว่ามีอำนาจมีความสามารถมีความมีอนุภาพอำนุรียะกะที่จ ะ, สะแสดงให้ท่านนาบีเห็นมาถึงลงโทษ ใ, ให้ท่านนาบีเห็นได้ไั้มได้ทั้งทั้งที่อัลลอ์ประกาศแล้วนะ มูฮ mm ัมหมัดยังม ah ีชีวิตอยู่จะไม่ลงโทษคนที่เดินตะว่าที่มัการจะไม่ลงโทษแต่ว่าทำได้ั้ยได้ลงโทษได้ั้ยได้นี่ไงอัลล์เล่าไงละกอดีรมีความสามารถที่จะอนุริยากะที่จะแสดงให้ท่านนับีเห็นมานายดูหุมเรื่องที่เราได้สัญญาแก่พวกเขาคือกลกาเฟสนไม่เอาอัลลอ์ไม่เอารอซูล ไม่เอาอิสลามไม่เอานบีไม่เอาอีหมานนี่นะเอาลอดลงโทษไหมลงโทษแน่ๆ แ, แต่เอาลอดประวิงแต่บางครั้งก็ลงโทษบนโลกดุนยาใบนี้ก็มีนะครับท่านเราต้องขอดูอาเผื่อไว้เลยจากที่ฉเฉลิมพูดเมื่อกี้นี่แหละ ว, ว่างไงนะรับดีฟลาตยาลนีฟิลเกาเมลโลลิมีนอายานีเตือนนะฉันมีความสามารถที่จะสแสดงให้นบีเห็นถ้านบีไม่มี สดงให้คนที่อ่านคูนอ่านวั น, นิษฐ์เข้าใจว่าโอ้โทษนี่ก็มาได้นะไม่ใช่ไม่มานะมีความสามารถจะลงโทษเมื่อใ่ก็ได้พี่น้องต้องนึกนะ่ะถ้ายาไม่สบายต้งนึกเฮ้ยอะไรก็มาเลยเราเราป่วยต้องนึกเอออาหารที่กินฮาลานหรือเปล่าเงินที่พาเข้าบ้านห้าล้าลหรือเปล่าเราทะเลาะ ก, กับญาติพี่น้องต้องนึกก่อนทบทวนตัวเอง นามาตย์เราครบไหมได้งเงินมาเนี่ยหลายล้านเนี่ยจะกา้า จ, จ่ายไหมต้องเงึกครับจะจะก็จ่ายบางปานภายใ น, นอาทิตย์เนี้เออเราด่าพ่อด่าแม่หรือเปล่าเราตำหนิพ่อเมื่อวานมีคนโทรศัพท์หาผมบอกอาจารย์มาผ ม, าา ม, าผมอายุห้าสิบกว่าสายอนะเสียชีวิตไปแล้วฉันก็เป็นลูกนะกัมีมีสามีแล้วก็มีลูกลูก บางครั้งมาคาก็ยาจะออกไปไหนกับครอบครัวไม่อยากให้มะไปให้มะอยู่บ้านมะก็งอนงอนไม่พูดฉันจะบาปไหมเนี่ยถามดีนะนี่ทำดีแล้ว ล, ละเอียดดีนะพวกว่าอไรเงี้วเวลาคุยกับมะเนี่ยอย่าขึ้นเสียงวเวลาคุยกับพ่อแม่อย่าเสียงแข็งใครที่พูดเสียงแข็งเตือนระวังใหดีโอกาสจะถูกลงโทษจะเอาล่อมีตลอดเวลาต้องอย่าเสียงแข็งกับพ่อแม่ อย่าเสียงแข็งเวลาจะไปไหนะก็ต้องขออนุญาตม่ ก, ก่อนนะเล่าให้มะฟังคุณแม่ครับหรือมจ่จ๋าผมจะพารถฉันจะพาภรรยาสามีลูกๆสามคนเนี่ยไปข้างนอกไปสักสามสี่ 3, ชั่วโมงต้องบอกเขาบอกแม่มาตรงตามะอยู่บ้านนะม่ไม่แข็งแรงก็ต้องพูดใช่ไหมแต่เวลาพูดเสียงอย่าแข็งเวลาเถียงกับพ่อแม่อย่าเสียงแข็งเพราะเสียงแข็งเนี่ยผิดหลักคุณอ่านเลยเพราะกุณอ่านสั่งนะ่ วักุลลาหูมาเก้าลังการีมาจงพูดกับพ่อแม่ด้วยคำพูดที่สุภาพอ่ อ, อนโยนโปไลพูดนิ่มพูดดีอล่อหวังอะไรครับวรหวันกับวันตอบแทนจากอาลัลลอฮ์สุภาพนะหัวตาเลาพี่น้องอย่าลืมนะอลัลลอฮ์สา ม, มารถลงโทษได้ไหมเนี่อยอายะ น, นี่นะครับว่าอินน่าลาอันนูรีกมาหายด uh um ูฮุมแลกอดีรแปลว่าอะไรครับ และแท้จริงอลัลลอฮ์เป็นผู้มีอนุภาพมีความสามารถนะครับที่จะแสดงให้นบีเห็นคนที่ทําผิดจะถูกลงโทษอย่างไรอลัลลอฮ์แสดงให้เห็นได้ไหมได้ได้ทุกเวลาอย่าคิดถึงคนฝั่นงนู้นคนฝั่งนีด้วยเหมือนการที่ทําอะไรผิดมีไหมมีถูกลงโทษได้ไหมได้ตลอดเวลาเพราะนาบีเพราะอาลัลลอฮ์มีความสามารถขอดัวอาแล้วนะ อย่ารอจ๋าจอย่าให้ฉันเนี่ยถูกทรมานถูกลงโทษเหมือนคนฝังกะนูน้นหรือร่วมกับคนฝังกะนูน้นเราขอทุอลอ่านดักไปแล้วแตท่ทั้งที่ขอดูอา่านต้องทําความดีเสริมด้วยนะครับแบบนี้เป็นต้ น, นอ่านคำเดลิเลาะกับปิโน้องความรู้จกากบุญอ่านดีดหมดเลยนะต่อมาครับเขาบอกในตัฟซีดในภาษาอาหรับและภาษาอู ด, ดูอ่านแล้วมีเขียนมาเหมือนกันก็บอกว่านาบียังมีชีวิตอยู่ในนครมักกะ เอาลอกก็เลยเคยลงโทษพวกอากรมุสริกเหมือนกันมีอยู่ครั้งเดียวนะนบีเนี่ยนันา น, านจะขอดูอาให้ลงโทษถูกเล่นง า, านหนักๆแล้วนะ่ะทนไม่ไหวก็เอาเราจะให้อากรแห้งแล้งแห้งแล้งอยู่เจ็ดปีนบีเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดพวกเรานี้ต้องกินกนเนื้อหมากันนะ่ะกินเนื้อสุนัข ก, กันนะ่ะเจ็ดปีคับฝนไม่ตกเลยแห้งแล้งต่อหน้าท่านนาบี แล้วก็อีกครั้งหนึงเมื่อตอนสงครามบาดดัตเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ให้บรรดานาบีุลเลาะออกสงครามซ า, าบานอบดุลเลาถือดาบออกมาบางคนตายด้วยดาบของซาบานก็มีอัลลอฮ์ให้เห็นการนานๆทีเรื่องฆ่ากันทําลายกันนี่นานๆเห็นทีแต่ส่วนใหญ่อัลลอฮ์จะทําลายเองนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะเอาต่อมาครับ <c oughs> ขออนุญาเยอะๆนะสำหรัตจาจุลนี้อะไรนะ فلا تجعلني في القوم الظالمين ร ب บบี فلا تجعلني في القوم الظالمين อ ل ลลอฮฺจ๋าอยาให้ฉันถูกลงโทษร่วมกับคนจอเลงคนกาเฟตคนมุชลิกีนนะครับอัยาสุดท้ายกับ96อิดฟ้าบิลลาตีฮียะอัล์ซานุสัยยีะอัลลอฮฺอักุบ نحن أعلم بما يصفون إدفع بالتي هي أحسن ا ل س ئ ة نحن أعلم بما يصفون Allah أيان <ت ص في> ี้ไป a ูสิสอนเรื่อง أخلاق เรื่องมารยาทอยู่บนโลกบุญญาใบนี้อยู่ยังไงให้สง่างาม จงใดนะจงปรามหรือจงบำราบจงยับยั้งอินทรัจงยับยังงยบย้งอะไรครับอาศัยอ่ะแปลว่าความชั่วความชั่วมีไหมอ๋อหรอมีตลอดเวลาเลยที่บ้านเรามีไหมมีข้างข้างบ้านมีไหมมีที่ตลาดมีไหมมีที่ยงเจริญมีไหมมีตอนตีสามอ่ะต้องไปเดินดูเสียแก่พลาดเต็มไปหมดเลยเป็นความชั่ว สมัยต่อ น, นมีต้นไม้มีต้นสกแกมีต้นกล้วยเดี๋ยวนี้ต้นสกแกต้นกล้วยไม่เห็นมีต้คนค น, คนแก่ผ้าความชั่วใช่หมความชั่วแล้วก็เปิดทีวีดูสิอาเต็มหมดเลยเอย่อนนี้อิเดฟาบลลาตฮยะอาานุ ย, ยจงปรามหรือจงปราบจงบังมลาบความชั่ว อัศนูอัศน์แปลว่าด้วยความดีที่ดียิ่งเอาความดีมาปราบเอาความดีมาปราบอัลลอฮฺไม่เคยสั่งให้เอาชั่วกับชั่วมาปราบกันนะอ้าชั่วจะชัว่วปราบกันจบไ ม, ไม่จบไม่จบมีแต่แรงขึ้นแรงขึ้นใช่หรือไม่ใช่คนนั้นด่าแล้วก็ด่าตอบจบไหมไม่จบนี่นะกูอ่านสอนมาจากอัลลอฮฺสุบฮานูตัลลาหบี น, นบบามาะบิชัครับสำเร็จหมดเลยแค่นั้น อย่าปรามอย่าบำราความชั่วด้วยความชั่วแต่บำราความชั่วด้วยการปฏิบัติของดีๆเสนอให้คนคนนั้นเช่นในนบียกทำาเป็นแบบไว้นะหละักุนอ่านมาเสริมมาลอดีมากครับด้วยความดีจงตาบความชั่วด้วยความดีอ่นานบีทำเป็นแบบนบีเดิน นะครับเดินไปตลาดนี่แหละแล้วมีผู้หญิงเอาขยะกองๆบนน บ, บีมาโยนขยะใส่ทิะนี่มันน่ายามไหมเนี่ยมันยามคนอะ่ะโอโยแล้วก็น บ, บีใหญ่สุดใหญ่กว่าปัฒนาทิพดีใหญ่กว่าคิงอีกอะ่ะพี่น้องถูกยามอย่างเงี้ยน บ, บีอมุดตาปัดลงถามอัลลอฮฺเห็นอัลลอฮฺรู้เหตุการณ์ทั้งหมดนะี่แหะก็มองดูเอามัดทําไงอลลอมันอ ม, นมุดตาปัต วันที่สองตัดวันที่สามปัดวันที่สหยุดนบีงงหายไปไหนอ่ะถามไปถามมาไม่สบายป่วยนบีขออนุญาตไปเยี่ยมนี่ะจงบำลาความช่วาด้วยความดีทำได้ไหมทำได้ไม่ได้พี่น้องถ้าอ่านกูไอ่าน ต้องขอดวงอาตอรอด้วยอย า, อากรอจ่าให้ฉันได้ปราบความชั่วด้วยความดีเหมือนใครเหมือนท่านนาบีมุฮัมมัดสุสลตลาเหมือนซอบ้านนบีอัลไซนาลีก็เหมือนกันนอนอยู่คนตนมาในช่วงช่วงช่วงสงครามเอาดาบแขวนไว้แล้วม่นดึดงตะวันข้า ง, งตัวใช่ใช่เนี่ยกาเฟิตมายิบดาบมาจ่อที่เนี่ยตัวอัลไซนาลีเนี่ย แต่ า, าไม่ย้ำแนวโอแกม น, ก น, ม น, นีใครจะห้ามฉันถ้าฉันจะฟังคุณนะเขาบอกอัลลอฮ์ดาบร่วงนะท่านหยิบดาบมาประจ่อไปที่คอมนะัน่ะไม่ย้ำแนวโอแกมนดีพูดไม่ได้อนะ่ะซาดีก็ต้องการที่จะทําลายด้วยดาบมันถล่น้ําลายใส่หน้าเนะสนาลีทุกแล้วเาอาดาบวางเขาบอกฟันเลบอกไม่ฟั น, นให้อภยัยทําไมล่ะเมื่อตอนแรกฉันจะเล่น ง, งานคุณนะี่แหละ พอคุณถมนำลายใส่หน้าฉันฉันเนี่มีอารมณ์แล้วโมโ oh หแล้วฉันและอภยัยถ้าฉันฟันคุณทำลายคุณเพราะอารมณ์ผลบุญไม่มีจาก Allah เห็นไมนี่อบ้านนบี Allah ใส่หนาลีที่เกีกับความดีของซอ บ, บ้านนบีอาสุน่นบีประชาสนางามไม่เป็นอ้อมนี่เงเหมือนกันอิฟาบิลตีฮิยาสันุ ย, ยะจงบำราบความช่วด้วยความดี อัลลอฮอักบัดดีมากๆเปนะ็นต้องเอาอันนี้ไปชนะใช้นะนะฮะนูอฺลามบิมายาซีฟูนอัลลอฮ์ล่าไว้นะเราเนี่ยอลัลลอฮอัลลรู้ทั้งหมดบีมายาซีฟูนลที่พวกเขาเสกสรรให้้า้ปั้นเต็นใส่รราว่าอิสลามได้อิสลามเป็นผู้ใดนะเผยแผ่้ดยความดามูไใดสิแต่จริงๆไม่ใช่เห็มนมอัลลอฮรู้หมด ให้ตัวอย่างที่ดีผ่านนบีมุฮัมมัดนบีก็เอามาแสดงให้เห็นแล้วอยู่ในมาทึกฐานทิ์ทั้งหมดอัลลอฮ์พี่น้องทีนี้ผมอ่านเอ่อุอานเนี่ยหนังสือของมนาอบบุฮาซันเนี่ดรซัลมาเนี่ยมาเนี่ยอหนังสือให้คุงไหลเล่อมาผมก็เริ่มอ่านพราะอ่านแล้วไปเจออยู่วากหนึ่งมนาอับบุลฮาซันพูดมุสลิมทุกคนในโลกควรจะสร้างอีมาน นะครับให้มันเกิดขึ้นในในหัวใจประมาณแปดข้อด้วยกันนะครับพยายามสร้างสิ่งต่างๆดัต ง, ต, ง, ต, งต่อไปนี้ให้เกิดขึ้นในหัวใจของผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์พี่น้องท่านอธิบายกราุรอานอธิบายงี้คนที่เป็นมุสลิมหรือคนที่อ่านอัลกุรอานเนี่ยควรจะสร้างสีฝัตแปดสีฝัตดัตงต่อไปนี้เอาไว้ไหนตัวของผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์หรือคนที่อ่านกุรอานข้อที่หนึ่ง สร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นในหัวใจสร้างอีมานอีมานก็มีหกข้อนะเรื่องที่สองตะอัลลุบิลละให้โยมกับอัลลอฮ์เยอะๆให้เชื่อมโยมกับอัลลอฮ์เยอะๆอ่าพี่น้องยกตัวอย่างเนี่ยจะเหลืมกลับบ้านเนี่ยนั่งรถไปเนี่ยขับรถไปไปเจอรถชนกันคนโยมกับอัลลอ์ต้องนึกถึงตัวอาก่อนโอ้ الحمد لله الذي عافني مما بتلك به وفضلني على كثير مما كنا قد رى الله จะไม่ให้เราพบกับเหตุการณ์ชนิดเดียวกันนี่นบีสอนพี่น้องไปเจอคนนี่กำลังดิ้นอยู่กลางถนนเฮ้ยว่าอะไรอ่ะโยมอัลลอฮ الحمد لله الذي عافني مما بتلك به ว่าฟัดบอกลยเนี่ยแหละกสิริมิมันคอละกข้ับดีละโยมัละลอนตอนตีสาดีไหมลุกขึ้นมันว่าตะขัดยุไงยังยังหนักไหมหนักแล้วขึ้นได้ไหมได้ถ้ามี إ ي มา ن สูงมีอยู่คนโทรศัพท์มาหาผมว่าฉันอยากจะนอนตอนตอนตอ น, ตอนตีสาขึ้นกันรังอร่อยเลยนึกถึงภาพกูโบอยู่คนเดียวเฮ้ยถ้าให้มะร็งกองมาทำยังไง ลุกขึ้นนอนไม่ได้อ่啊ลุกขึ้นมาทำมาตาหายยุยเนี่ยพี่น้องหลายคนได้ลุกขึ้นม า, มาตาหาโยตพะนึกถึงอัลลอฮฺสุภาานึกถึงการลงโทษของคนอยู่ในกุโบโเนี่ยลุกขึ้นเลยพี่น้องนอนไม่กล้าหลับไม่กล้าหลับนอนไม่ลงต่อมาคือเรื่องเรื่องที่สามอิคลาสสร้างความบริสุทธิ์ใจให้เกิดขึ้นในหัวใจจะทําความดีทุกอย่างต้องบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮฺบริจาคเงินทันบาทเนี่ยใส่กล่องเนี่ยเพื่อ อ, อัลลอ ยังอหรเรื่องที่สี่พี่น้องครับมีความอยากจะเสียสละ อ, อยากจะต่อสู้ในคุณธทางของอเล็ะในใจมึกตลอดเวลาฉันก็ต้องปกป้องศาสนาอิสลามเนี่ยให้อยู่คู่กับโลกดุญญยาไปนี้ข้อที่ห้านะครับพี่น้อ ง, องรีบดรอจะทำอะไรก็ตามทำแล้วต้องอเล็ะพอใจผู้อ่านตรงไหนครับ อินนัสซลัติวานุสูกีวามหายาวามมาติลิลลอฮิรับบิลอาลามินนี่นะพี่น้องจะนามายก็ดีให้อัลลอฮ์พอใจจะ บ, บริจาคให้อัลลอฮ์พอใจไม่ใช่เราพอใจนะอัลลอฮ์พอใจนะแล้วก็การมีชีวิตอยู่ยีิบสี่ชั่วโมงอัลลอฮ์พอใจและการตายของสารต้องอัลลอฮ์พอใจพี่น้องเอาต่อมาข้อที่หกพี่น้องอยากจะเสียสละในหุนอยากจะตายเฉีดใจต้องนึก อยากตายเฉีดโอ้ไซนาอุมั์เนี่ยพูดกับลูกว่าฉันพ่ออยากอยากอยากจะตายเฉีดลูกสาวว่าตายเฉีดอยู่ในสุราเนี่ยแหละโอ้พูดอย่างนี้นะแล้วต่อมาท่านตาชเฉีดแบบถูกแทงใช่ไมในดามาดามาสุโบ้เนี่ยได้ล็อกหน้าอเดียวศัตรูมาแทชื่ออบูลุลุผู้บูชากราบไฟไม่เคยกราบอาลัลลอฮสครัไม่คนฆ่าสซานาอุมัด ต, ตาฉีดจริงจริง่พี่น้อง ในนี้พี่น้องครับเราก็ต้องขอทวอาอยากจะตายเฉิดในหุ้นทางของอัลลอฮ์ต่อมาก็พี่น้องข้อที่เจ็ดพี่น้องครับอยากจะได้อยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ในโลกอาคิดว่าต้องนึกครับต้องขอด้วยขออย่างนี้อัลลอฮุมะอินนีอัสอาลุกะลจานนะฉันขอสวรรค์ว่าอัอฮูเบกามินันนะและขอให้ห่างจากไฟนรกและข้อสุดท้ายข้อที่8ดพี่น้องครับมีสตังต้องบริจาค พี่น้องพาไปกูโบได้ไหมตังค์ที่ไม่มีมีพันล้านยกตัวอย่างเนี่ยใส่โลไปไหมเขาไม่ให้พาไปเลยแม้แต่หมอในในใดในโลที่ใส่มาจากบ้านนะเพราะจะฝังริงจะเอาองนะหมอหน่ะเอาดินใส่โอ้โหเป็นข้อเตือนใจอะไรเยอะมากนะคำสอนของท่านนบดมุฮมัตซุลลัลละอิบิัลาพี่น้องครับมีอยู่แปดข้อนะ อุลมามะระดับโลกในเป็นน้องเขาแนะนําว่าคนที่เป็นมุสลิมคนที่อ่านกลวงอ่านต้องมีอัคลาตอยู่ในหัวใจของเขาแปดข้อข้อที่หนึ่งต้องมีอีมานข้อที่สองตระอั้นลุกบินแล้วมีความเชื่อมโยงกับอัลลอฮ์ข้อที่สามต้องมีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ข้อที่สี่ต้องมีความอยากเสียสละแล้วอยากต่อสู้ ท, AH, ทู 5, ทลถามอัลลอฮ์ข้อที่หําแล้วอัลลอฮ์พอใจข้อที่หก แราจอยากกายเฉลี่ดข้อที่7อยากได้สวนสวรรค์ข้อที่แปดพี่น้องอยากได้นะมีเงินแล้วไม่เลยที่จะายรักาาของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى سبحانه และก็อาลัยม์บิฮัมดิกะอั a ลอฮฺอัลลอฮฺัลลีอิลลาอิลลาอนตะอัสตะฟุกะวะตุบุบิไลกัสสลามอัลัยกุมวะราะห์มุตุลลอฮฺวะบารกตุ